สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อวานนี้ใช้เวลามากเกินไปนิดเดงนะครับแต่ผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าเป็นเรื่องราวที่สําคัญมากเพื่อที่เราจะเข้าใจเรื่องแผ่นดินกเจ้าในเช้าวันนี้นะครับเราอยู่ในตอนที่สามสิบเก้าครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่เปเยซูกับนิโคเดมัสครั้งที่สองตอนบังเกิดใหม่นะครับในข้อที่สี่นะครับนิโคเดมัสได้ยินคําว่าบังเกิดใหม่ เขาก็ทูลถามพระเยซูว่าคนชลาแล้วจะบังเกิดใหม่อย่างไรจะเข้าในคันมารดาครั้งที่สองและบังเกิดใหม่ได้หรือนิโคเดมัสนั้นเขาเองคิดแต่เพียงการเกิดทางร่างกายเพราะพระเยซูพูดเหมือนกับการเกิดใหม่ครั้งหนึ่งก็คือเกิดทางร่างกายแต่ความหมายที่แท้จริงของพระเยซูนั้นในข้อความนี้เป็นภาษากรีกซึ่งเป็นภาษาที่ใช้บันทึกพระเยซูคาพูดของพระเยซูในพระคัมภีร์นั้น พูดถึงการบังเกิดจากเบื้องบนครับการบังเกิดใหม่นี้ในภาษากรีกมันมีความหมายว่าการบังเกิดจากเบื้องบนนั่นหมายความว่าถ้าหากว่าเราหรือมนุษย์คนใดบังเกิดจากเบื้องบนเขาจะเป็นประจักรกรของแผ่นดินสวรรค์โดยทันทีออตโตหรืออตตัออตโนมัตินะครับพระเยซูทรงแสดงว่าพระเยซูทรงเป็นครูที่มาจากพระเจ้าในขณะเดียวกันทรงเป็นครูที่อดทน ในข้อที่ห้าถึงข้อที่เจ็ดพระเยซูทรงอธิบายอย่างชีดถ้วนว่ามีการเกิดสองแบบครับแบบแรกคือการเกิดจากน้ําหมายถึงการเกิดทางร่างกายทารกที่ปลอดภัยอยู่ในถุงน้ําคร่ําในคันมารดาถุงน้ํานี้จะแตกออกก่อนที่ทารกจะคลอดออกมาน้ําคร่ําไหลออกมาหมดและเด็กจําเป็นท้้งคลอดในเมื่อน้ําซึ่งห่อหุ้มทารกนั้นไหลออกไปหมดแล้ว การเกิดครั้งที่สองนะครับก็เป็นการเกิดทางจิตวิญญาณนั่นเองหมายถึงการเกิดทางพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องครับคําว่าเกิดจากน้ํานั้นมีนักวิชาการนะครับหลายๆยุคหลายๆสมัยนะครับเป็นเรื่องน่าสนใจมากเขาก็ได้ให้ความหมายที่แตกต่างกันนะครับการเกิดจากน้ํานะครับคือการเกิดทางร่างกายนะครับ การเกิดจากน้ำหมายถึงการกลับใจใหม่จากการเทศนาของยอนผู้ให้บัพติศมารเรียกร้องให้ทุกคนกลับใจใหม่ครับและวิญญาณการเกิดจากวิญญาณหมายถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เฉล็่เข้ามาในชีวิตของผู้เชื่อน้ำก็เป็นสัญลักษณ์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้น้ำหมายถึงพระชนะของพระเจ้าได้น้ำหมายถึงบัพติศมา ความคิดนี้ตรงข้ามกับข้อพระมรุทีที่เกี่ยวข้องกับความรอดนะครับที่อาศัยความเชื่อเช่นย้อนบทที่สามข้อสิบหกหรือข้อที่สามสิบหกหรือเอเฟซาสบทที่สองข้อที่แปดถึงข้อที่เก้าว่าเรารอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อไม่ใช่ตัวเราลงหลายกระทําเองแต่พระเจ้าทรงประกานให้หรือแม้กระทั่งทีทัศบทที่สามข้อห้าก็เช่นเดียวกันครับพี่น้องครับบางเกิดจากเนื้อหนังก็เป็นเนื้อหนังบังเกิดจากพระวิญญาณก็เป็นวิญญาณ เรื่องับเราเห็นนะครับบังเกิดจากน้ํานะครับกับบังเกิดจากพระวิ ญ, ญญานี้แตกต่างกันครับดูเหมือนพระเยซูกําลังจะบอกว่าพระองค์มิได้ตรักเกี่ยวกับการเกิดทางร่างกายตามที่โโดิคอติมัสได้ตีความเพราะว่าโดยธรรมชาตินั้นเราต้องเกิดจากน้ำํำทางกายครับก่อนที่จะเกิดกับพระวิญ ญ, ญาณพระเยซูตรัสว่าอนอยาปหลัดใจที่เราบอกท่านว่าท่านหลายจะต้องบังเกิดใหม่ พระเยซ์กำลังตรัสว่าอย่าค้องใจนะครับอย่าสงสัยความคิดเรื่องบังเกิดใหม่เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญและหลายหลยคนก็สงสัยพระองค์ก็ยังสอนต่อไปว่าลมใครจะพัดไปข้างไหนก็พัดไปข้างนั้นแต่ท่านได้ยินเสียงลมนั้นแต่ท่านไม่รู้ว่าลมนั้นมาจากไหนและไปที่ไหนคนที่บังเกิดจากพระวิ ญ, ญญาณก็เป็นอย่างนั้นทุกคนข้อนี้เข้าใจยากนะครับถ้าเราอ่านเป็นภาษากรีก เราจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นคําว่าลมมาจากภาษากรีกว่านิวมานะครับเนิลมาโรคต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับปอดนะครับก็จะเแปลว่าเนิวเนิลมาเหมือนกันนะครับมีรากศรรัพท์เช่นนี้เช่นเนิโมอนีนะครับอะไรที่เกี่ยวข้องกับปอดหรือลมหายใจนะครับก็จะแปลโดยใช้คําว่าเนิลมาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคําว่าเนิวมามีความหมายได้ทั้งลมและพระวิญ ญ, ญาณครับ มีความหมายเกี่ยวกับลมหายใจนะครับซึ่งภาษาฮีบรูเดิมนั้นแปลว่ารูอักซึ่งแปลว่าลมหายใจเมื่อพระเจ้าได้ระบายลมปราณหรือลมหายใจของพระองค์มาที่ตัวอาดัมอาดัมและเอวาจึงกลายเป็นผู้ที่มีชีวิตครับเช่นเดียวกันครับกลายเป็นผู้ที่มีชีวิตนั้นหมายถึงว่ามีวิญญาณของพระเจ้าอยู่ข้างในครับมนุษย์นั้นมีจิตวิญญาณที่พระเจ้าประทานให้อยู่ข้างในตัวของเรางานของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้น ลึกลับและมองไม่เห็นเช่นเดียวกับการพัดของลมมนุษย์เรามันไม่สามารถควบคุมลมได้มนุษย์อาจจะติดตามลมได้กลมอุตุนิยมวิทยาก็รู้ว่าลมนั้นจะพัดไปที่ไหนจะเป็นอย่างไรแต่ไม่สามารถควบคุมลมได้ครับไม่สามารถที่จะบังคับให้ลมพัดไปทางนู้นพัดไปทางนี้นะครับลมนั้นใครจะพัดไปทางไหนก็พัดไปทางนู้นนะครับ และเราก็ไม่รู้ว่าจุดกําเนิดของลมนั้นมาอย่างไงและไปยังไงนะครับแต่เราเพียงแต่รู้ทิศทางของมันเท่านั้นเองพี่น้องครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เช่นเดียวกันครับยากที่เราจะเข้าใจและโปร่งมองไม่เห็นครับฉะนั้นเราอาจจะรู้ถึงเรื่องของลมพัดมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยเื่เราเห็นใบไม้ไหวลูดตามลมครับและเราก็รู้สึกว่าลมพัดนั้นโชยผ่านหน้าเราเรารู้สึกได้เช่นเดียวกันครับ เราสามารถที่จะรู้และเชื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทํางานของพระองค์อยู่เพราะเราเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคนเนื่องจากพระเยซูได้แนะนํากําลังแนะนําให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ให้นิโคเดมัสรู้จักกับพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเองน้องครับนิโคเดมัสเข้าใจเรื่องนี้หรือไม่อย่างไรนั้นในข้อที่9นั้นกันก็บอกชัดเจนครับนิโคเดมัสทูลว่าเหตุการณ์อย่างนี้จะเป็นไป อย่างไรได้พี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เป็นบทเรียนของเราในเช้าวันนี้เกี่ยวกับพระกภีเกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์และเกี่ยวกับการบังเกิดใหม่เราจะเห็นนะครับว่าความสําคัญของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นมีมากทีเดียวแต่หลายครั้งบางคณะบางนิกายบางกลุ่มนั้นก็กลัวที่จะสัมผัสกับพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ขอให้เราเลดเปิดใจออกและเรารู้ว่าการที่เราจะเข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้าได้นั้น เราจะต้องบังเกิดโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับการบังเกิดใหม่เป็นเรื่องที่สำคัญมากขอพี่น้องหลายในท่านที่ฟังอยู่นั้นที่เราจะจริงใจกับตัวเองขณะที่เราบอกว่าเรามาโบสถ์เราเป็นคริสเตียนเราเป็นลูกหลานคริสเตียนพ่อแม่ปู่ย่าตายายหลายชั่วคนเป็นคริสเตียนแต่จริงๆแล้วเราได้บังเกิดใหม่จริงๆหรือเปล่าบังเกิดใหม่โดยการกลับใจบังเกิดใหม่ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ บังเกิดใหม่โดยที่สมแดงชีวิตพิสูจน์ถึงการบังเกิดใหม่สมแดงชีวิตว่าพระบิญฑาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตของเราแล้วหรือเปล่าพี่น้องครับไม่เป็นที่แปลกใจเลยนะครับว่าความลึกลับในเรื่องของการบังเกิดใหม่นั้นนิคอเดมัสไม่เข้าใจแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่เคร่งศาสนาเป็นผู้นําศาสนาเป็นคนที่รู้จักพระบัญญัติของพระเจ้ามากมายแต่เขาไม่เข้าใจเรื่องนี้ครับ เพราะฉะนั้นนิโคเมัสเองจึงไม่ได้เป็นประชากรของแผ่นดินสวรรค์หลายหลายท่านที่เรียกตัวเองว่าเป็นคริสเตียนอาจจะไม่ได้เป็นประชากรของแผ่นดินสวรรค์ก็เป็นได้เพราะเหตุที่เรายังไม่ได้บังเกิดใหม่ดังนั้นครับอยากจะให้พี่น้องที่จะให้ความสาคัญซ e เรียสกับเรื่องนี้นะครับหลายละคนเป็นคนที่แต่งงานมานะครับแล้วก็มารับเชื่อพระเจ้าแต่ บางครั้งอาจจะไม่ได้บังเกิดใหม่จริงๆก็ได้เพราะเหตุที่ว่าท่านอยากแต่งงานท่านจึงมาเข้ารีดเข้ารับศาสนาแต่อย่าให้เป็นอย่างนั้นนะครับมันเป็นการสิ่งที่เสียดายเสียใจมากที่สุดท่างครับขอบคุณพระเจ้าที่ในเช้าวันนี้เราได้มีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวเรื่องราวเกี่ยวกับการบังเกิดใหม่ในวันพรุ่งนี้เราจะดูต่อไปนะครับว่านิโคเดมัสไม่เข้าใจพระเยซูสอนเขาอย่างไร ขอพรเจ้าอวยพรพี่น้องเชี่ทุกท่านอเมน